ถ้าเจอผีนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของกรรมกันค่ะหลังจากที่ฟังเรื่องราวของวิญญาณหรือว่าเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเรื่องกรรมวันนี้เสนอเรื่องกรรมของในโชธค่ะในโชธนี่แต่งงานอยู่กับนางดาวมีลูกชายอายุห้าขวบหนงเดือน ครอบครัวของเขาเนี่ก็ยึดอาชีพทําสวนผักค่ะซึ่งการทําสวนผักเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ใหญ่ๆเลยก็คือมักจะมีแมลงศัตรูพืชลงกัดกินแล้วก็โรคพืชต่างๆอีกมากมายดังนั้นนะคะการกำจัดศัตรูพืชหรือว่าวัชพืชเนี่ยนะคะก็จาเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงละค่ะแต่ว่าในโชคมุ่งหวังแต่จะรักษาผลผลิต ภายในส่วนของตัวเองเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้เงินค่าตอบแทนมาเยอะๆนะคะโดยที่ในโชดเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงหรือว่าคำนึงถึงผู้บริโภคแต่อย่างใดนั่นก็คือบางครั้งนะคะในโชด น, นี่ก็ฉีดยาฆ่าแมลงให้กับพืชผักแล้วยาฆ่าแมลงเมื่อฉีดไปแล้วนี่มันจะมีระยะเวลาประมาณ 15-20 ถึงวันถึงจะหมดฤทธิ์ยานะคะ หากว่าตัดผักไปทําอาหารก่อนเวลากําหนดเนี่ยฤทธิ์ของพวกยาฆ่าแมลงมันก็จะยังคงค้างอยู่ที่ผักแล้วก็ผลไม้ที่ใช้ยากําจัดแมลงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่กินผักเข้าไปได้แต่ว่าในโชดค่ะไม่ได้คํานึงถึงข้อนี้บางครั้งนะคะฉีดยาฆ่าแมลงให้กับวัชพืชให้กับแมลงแล้วก็ในสวนของตัวเองเสร็จเนี่ย จากนั้นสองสามวันต่อมาก็ทำการตัดพืชผักนำไปขายเลยซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้มันก็ไม่ถูกต้องนักเพราะว่าผู้ที่ซื้อผักเอาไปกินก็ต้องได้รับฤทธิ์ยาเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ในอนาคตค่ะวันหนึง่ง ในโชดนี่เองก็ได้ไปดูผลผลิตในสวนของตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งได้ทำไร่แตงโมเอาไว้ด้วยแตงโมภายในไร่นี่ก็ออกลูกดกไปทั่วทางไร่ละค่ะทิ้งเอาไว้ 5-6 วันก็สามารถขายได้ ปรากฏนะคะว่าพวกแมลงเนี่ยเริ่มลงกัดกินจนต้นแตงโมเนี่ยเริ่มแห้งเฉาตายไปบางส่วนในโชตก็กลัวกลัวเหลือเกินกลัวว่าผลผลิตในไร่นี่จะเสียหายก็เลยรีบฉีดยาฆ่าแมลงชนิดที่มีฤทธิร์รุนแรงที่สุดนะคะ <c oughs> ก็นำไปฉีดให้กับแตงโมในไร่ของตัวเองหลังจากนั้นนะคะที่ฉีดยาฆ่าแมลงในไร่เสร็จเรียบร้อยแล้วในโชตก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะออกไปทาธุระที่บ้านเพื่อน พอทำทัวร์เสร็จเรียบร้อยค่ะก็กลับมาที่บ้านของตัวเองพอกลับมาถึงบ้านก็ต้องตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบนางดาวผู้เป็นเมียกับลูกชายวัยห้าขวบกําลังนอนชักตาตั้งเลยน้ําลายเมีฟูมปากด้วยกันทั้งคู่ในโชคก็เลยต้องรีบนําเมียแล้วก็ลูกไปส่งที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลค่ะแพทย์ได้ช่วยชีวิตนางดาวเมียของในโชคไว้ได้ทันส่วนลูกน้อยวัยห้าขวบเนี่ยเสียชีวิต มูลเหตุของการเสียชีวิตของลูกน้อยก็คือวันนั้นนะคะพอในโชต์ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงในไร่แตงโมเสร็จก็ออกจากบ้านไปในดาวนางดาวนี่ที่อยู่บ้านที่เป็นภรรยานี่นะคะก็ไม่รู้สิว่าในโชต์ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงทิ้งไว้ในไร่แตงโมเพราะว่าในโชต์เนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าแตงโมนี่ได้ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไว้นะพอดีในโชต์ขี่รถออกจากบ้านไปนางดาวก็ไปเอาแตงโมในไร่มากินกับลูกพิษยาฆ่ า, มาแมลงก็เลยออกฤทธิ์ค่ะ ทำให้ต้องหามทั้งคนอคนทั้งคู่ให้เป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกน้อยเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสาเหตุให้ลูกต้องมาจบชีวิตลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากกรรมของในโชดโดยตรงในโชดจียาฆ่ า, มาแมลงให้กับพืชผักภายในไร่ในส่วนของตัวเองซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาที่ยาฆ่ า, มาแมลงจะหมดฤทธิ์ก็รีบตัดผักส่งขายโดยไม่คํานึงถึงคนที่ซื้อผักไปกิน ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรสุดท้ายนะคะในโชคเองก็ต้องมาประสบชะตากรรมกับครอบครัวของตัวเองค่ะทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควร บางอย่างนะคะเราก็คิดว่ามันเกิดจากตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุค่ะที่มันจะส่งผลกระทบให้กับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่กรรมใดกรรมนึงอย่างเช่นเรื่องราวของในโชดเนี่ยนะคะทีนี้มีอีกเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นเรื่องคนไม่ถึงคาดค่ะในตอนนั้นลูกสาวคุณอนงเนี่ยเข้าทางานในบริษัทใหม่ๆเลยนะ ได้เงินเดือนแบบสูงเลยเธอก็เลยพยายามจองตั๋วเครื่องบินนี่แหละพาแม่กับน้องไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ บ, บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นไต้หวันวันนั้นเธอโทรศัพท์มาบอกกับแม่บอกว่าจะจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวภูเก็ตเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีทัศนียภาพสวยงามทุกคนก็ตอบตกลงค่ะแต่พออีกสองวันต่อมาเธอก็บอกว่าเที่ยวบินเต็มจองไม่ได้ทุกคนก็เสียใจค่ะแล้วก็เสียดายนั่งหน้าตาเศร้าซึม แต่แล้วในคืนหนึง่งก็คือคืนวันเดินทางของเที่ยวบินนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวในโทรทัศน์เนี่ยนะคะออกมาอย่างคลึกโครมเลยบอกว่าเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิที่ภูเก็ตบริเวณที่จะไปเที่ยวกันมีคนเสียชีวิตกลาดเกลื่อนไปหมดคุณอนงรู้สึกตัวนะคะว่ า, าเดชะบุญละ หากเธอจองตั๋วเครื่องบินไปได้ป่านนี้พวกเราจะยังมีชีวิตอยู่รอดกันไหมทุกคนก็ถึงบางอ้อแล้วก็หัวเราะดังขึ้นพร้อมกันทันทีนี่คงจะเป็นผลบุญนะคะที่ทุกคนได้ทําไว้ก็เลยยังไม่ถึงคราวตายต่างคนต่างก็นั่งดูความขมขื่นใจน่าสงสารผู้คนที่วิ่งหนีกันโอโศมานนะคะแต่ก็ไม่พ้นเงื้อ ม, มือของมัจจุราชบางคนเนี่ยนะหนีขึ้นไปถึงชั้น3ชั้น4ี่ของตึกก็ยังโดนคลื่นยักษ์นี่กวาดต้อนลงมาเสียชีวิตกันหมด คุณอโนงหลับตานึกถึงเหตุการณ์ต่างๆด้วยความหดหูใจบ้านเมืองของผู้คนเน่พังพินาศไม่มีอะไรเหลือเลยบางคนรอดชีวิตมาได้ก็หาได้ดีใจไม่เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องญาติญาติเนี่ยเสียชีวิตกันหมดเขาก็เลยต้องอยู่ต่อสู้ในโลกใบนี้เพียงลำพังนะคะบางคนก็ร้องไห้คร่ำครวญหาเมียหาลูกบางคนอยู่ต่อไปได้แค่2สัปดาห์ก็ต้องฆ่าตัวตายตามญาติพี่น้องตัวเองไป เขาบอกว่าไม่ถึงคราวตายก็ไม่ไวายชีวาคุณผู้ฟังบางทีนะนั่งๆอยู่เงี้ยล้มลงไปตายเลยก็มีนี่แหละคือถึงคราวตายแล้วนะคะแต่บางคนนะโดนรถชนจนแบบโอ้โหร่างกายมีปลิวลอยละลิ้วเลยทีเดียวแต่ไม่ตายค่ะเหมือนกันกับเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังท่าน่าหลายๆท่านนีอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการเสียชีวิตคนไม่น่าตายก็ตายส่วนคนที่ น่าจะตายแต่ก็ไม่ตายแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะความเกลียดชังในบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังสามารถที่จะทำเรื่องชั่วร้ายถึงขั้นปิดชีวิตคนหรือสัตว์ที่ไม่ชอบได้โดยไม่คิดขอแค่ตัวเองสะใจก็เป็นพอทีนี้เมื่อถึงเวลาของกรรมตามสนองค่ะกลับคิดได้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก คุณวิภาคนนึงค่ะที่สร้างกรรมให้กับตัวเองโดยฆ่าสัตว์ที่แม่ของสามีเนี่ยรักเหตุที่คุณวิภาฆ่าหมาตัวนั้นก็เพราะว่าเกลียดแม่ผัวค่ะเกลียดมากถึงมากที่สุดผู้หญิงแก่เจ้าระเบียบขี้บน่นไม่เคยมองเห็นคุณวิภาอยู่ในสายตาเลยมักจะเอาเรื่องคุณวิภาเนี่ยไปนินทาว่าร้ายให้เพื่อนบ้านฟังพวกคนนั้นก็พากันมองคุณวิภาด้วยสายตาแปลก ซึ่งคุณวิภาเองก็คิดว่าเออคงเป็นแม่ผัวตัวแสบนี่แหละที่เอาเรื่องไม่ดีไปพูดก็เลยคิดนะคะว่าคนพวกนี้เนี่ยเลวร้ายเกินจะญาติดีด้วยทีนี้คุณวิภาก็เลยกลายเป็นคนเก็บกดสิคะไม่กล้าออกนอกบ้านเท่าไหร่เพราะว่าบริเวณที่จะออกนอกบ้านไปเนี่ยมันเป็นพวกของแม่ผัวทั้งนั้นเลยการอยู่ในบ้านก็เลยเป็นผลดีให้กับตัวเอง แต่แม้ว่าอยู่บ้านค่ะแม่ผัวก็ทำให้เครียดได้เหมือนกันโดยที่นางจะพูดกัแนกแหนใช้คำพูดเชือดเฉือนให้รู้สึกเจ็บใจอีกทั้งยังยุให้ไอ้ทองเนี่ยหมาบ้านตัวโปรดให้มันกัดคุณวิพาด้วยเรื่องนี้คุณวิพาเล่าให้สามีฟังเขาสามีของคุณวิพาเนี่ยก็หาว่าเออคิดมากทนๆนไปก่อนเดี๋ยวจะดีเองก็ไม่อยากจะเชื่อผัวว่าเข้าข้างแม่ ก็เลยอยากไปอยู่ข้างนอกค่ะไม่ต้องการร่วมบ้านกับแม่ผัวที่แสนเลวคนนี้แหละเอออยากไปอยู่ข้างนอกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเราไปอยู่ข้างนอกเถอะคุณก็ดีงานเงินเดือนเยอะฉันก็ทำงานขายของออนไลน์อยู่บ้านรายได้ก็พอกินพออยู่คุณวิพาก็เอ่ยปากชวนสามีละค่ะสามีก็บอกไม่ได้การที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องเช่าห้องหรือว่าเช่าบ้านเสียเงินโดยใช่เหตุนะอยู่กับพ่อกับแม่เราไม่เสียค่าที่พัก นอกจากให้ค่านา้ำค่าไฟค่ากินกับแม่ก็เท่านั้นเราซื้อบ้านสิเดี๋ยวก็มีลูกแล้วคุณวิพาก็บอกไปพ่อบอกว่าจะให้ผมซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็เอาเงินไปจ่ายให้พี่น้องซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาดเลยนะก็เหมือนกับโอนสมบัติไหมคะคุณผู้ฟังเหมือนซื้อกับน้องๆที่แทนที่จะได้บ้านหลังนี้เนี่ยก็เอาเงินให้น้องๆไปประมาณนี้นะคะคุณวิพาพูดจาวานล้อมสามีอ้อนวอนสามีเท่าไหร่ ก็ไม่เป็นผลแทบจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดค่ะเมื่อสามีนี่ยืนยันบอกยังไงก็จะต้องอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ยอมย้ายไปไหนคุณวิพาก็เลยต้องทนอยู่กับแม่ผัวคนนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอ้ทองเอ้ยได้ข่าวว่าคนที่นี่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแม้ปีก้าขาแข็งแล้วสินะถึงอยากจะไปจนตัวสั่นเล็กๆอย่างนี้แม่ผัวพูดค่ะพูดกระแนะกระแนคุณวิพาก็ เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ร้ายกาจอย่างคาดไม่ถึงแหละนะคะคุณวิพาคิดคุณวิพาก็มองดูหน้าไอ้ทองบ้างดูหน้าแม่สามีบ้างนะคะแม่สามีก็เลยพูดบอกทำไมมองหน้าแบบนี้อยากมีเรื่องใช่ไหมแม่อยากกันแนกแนกันแหนชันได้ไหมแค่ทุกวันนี้ฉันก็แย่อยู่แล้วเมื่อพูดอย่างนั้นค่ะแม่ผัว น, นี่กโกรธเลยล่ะหน้าแดงตาลุกทาท่ า, ทาจะกระโจนเข้าใส่ แต่ว่าคุณวิพานี่ยืนนิ่งตั้งหลักอย่างมั่นคงถ้านางกระโจนเข้าใส่จริงคุณวิพาบอกโอ้ต้องสู้สุดชีวิตละค่ะแตกหักยังไงก็ต้องยอมละถึงขั้นเลิกกับผัว ก, ก็ต้องยอมนะเพื่อให้หลุดพ้นกับแม่ผัวที่แสนเลวคนนี้ย้อนไปนิดนึงคุณผู้ฟังว่าทำไมแม่ผัวถึงเกลียดแล้วก็หาเรื่องราวกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เพราะว่าครอบครัวของคุณวิพาเนี่ยจนพ่อแม่ฐานะไม่ดี หลังจากเรียนจบก็ทำงานเจอกับสามีที่ทำงานอยู่ตึกใกล้ๆกันก็คุยกันตกลงเป็นแฟนกันก็พาไปที่บ้านให้รู้จักพ่อแม่ทีนี้เมื่อแม่ผัวรู้ว่าบ้านยากจนก็ตั้งป้อมรังเกยียจรังงอนทันทีเสียใจพูดไม่ออกนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ในเมื่อผัวกับลูกสะพ้าเนี่ยผัวเนี่ยพาลูกสะภ้าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วจะยอมจะไม่ยอมรับ ก็ยังไงอยู่นะคะก็ได้แต่คอยกะแนะกะแหน่ทำให้แบบลูกสะพายเนี่ยทนไม่อยู่แล้วก็ให้หนีไปเองนะคะคิดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เงินทองพ่อแม่ก็เป็นคนส่งให้ท่านเองไม่เกี่ยวกับผัวแต่กระนั้นคุณผู้ฟังแม่ผัวก็หาว่าคุณวิพาเนี่ยเอาแต่ทางบ้านไม่สนใจครอบครัวสามีคุณวิพาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อของกินของใช้มารวมกันแต่แม่ผัวก็ไม่ได้พอใจนะ ไม่ต้องทําอะไรให้ฉันกินหรอกนะกินไม่ลงกลัวท้องเสียนี่คือคําพูดของแม่ผัวค่ะแกพูดราวกับว่าลูกเซอร์พรส์คนนี้เนี่ยสกรปรกในเมื่อไม่กินก็ดีค่ะคุณวิภาบอกจะได้ไม่ต้องทําให้เหนื่อยแต่ว่าแกไม่ได้สิ้นฤทธิ์นะเอาวัตถุดิบที่ซื้อไว้ไปปรุงเป็นอาหารกินแต่ไม่เผื่อคุณวิภากับสามีเลยคนแบบนี้เนี่ยจิตใจขับแคบมาก หลายครั้งที่ปะทะคารมกันแม่ผัวก็ยังแสดงตนเป็นหญิงใจร้ายไล่ออกนอกบ้านเสมอคุณวิพาเนี่ยแอบร้องไห้ค่ะแล้วก็บอกสามีหลายครั้งสามีก็บอกเขาให้ทนอดทนอย่าคิดมากคุณวิพาก็ทนไม่ไหวก็บอกคุณไม่โดนแบบฉันนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแต่ละวันนี่อยู่ด้วยความหวาดผวาแม่คุณร้ายจนฉันไม่อยากมองหน้าแล้วเนี่ยพูดแบบนี้แม่ผัวรู้เข้าเขาก็ตะโกนด่าเป็นการใหญ่เลย บอกชาตินี้คงมีแต่ความเกลียดชังให้กันเมื่อความเกลียดชังมันสะสมมากๆเข้ามากๆเข้านะคะคุณวิภาเองก็คิดทางาที่จะทำให้แม่ผัวเนี่ยเสียใจที่สุดแต่ว่าถ้าทำแกตรงๆก็คงไม่ได้ทุกคนก็จะต้องเล่นงานคุณวิภาแน่นอนก็เลยคิดเน่ว่าจะฆ่าไอ้ทองนี่แหละ ท่าหมาของแกนี่แหละดีที่สุดเพราะว่าหมาตัวนี้นี่มันจะกัดคุณวิภาหลายครั้งทั้งที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็ตามด้วยนะมันเกลียดคุณวิภาตามแรงยุของเจ้านายมันนางแม่ผัวที่เปรียบเหมือนแม่มดนั่นแหละพอคุณวิพอคุณวิภารู้ว่าไอ้ทองนี่มันชอบกินหมูทอดแกก็เลยไปซื้อหมูทอดที่แม่ค้าทอดเสร็จแล้วก็เอาผงยาพิษเนี่ยโรยลงไปในชิ้นหมูค่ะยาพิษชนิดนี้ไม่มีสีและก็ไม่มีกลิ่นถ้ากินลงไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องตาย คุณวิพาดรอให้ทุกคนออกจากบ้านแล้วก็โยนหมูทอดให้อ้ทองหมาที่มันชอบจะกัดคุณวิพาเนี่แหละกินมันก็กินอย่างมู ม, มามค่ะจากนั้นไม่นานก็ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดมีน้ํำลายฟูมปากออกมาเป็นฟองฟอดเลยไอ้ทองมันก็ทั้งคลานทั้งกระเสือกกระสนเกรงกระตุกครู่หนึ่งมันก็วิ่งเซยหายไปไหนก็ไม่รู้คุณวิพาไม่สนใจหรอกคะ่ะหมาระยำแบบนั้นตายไปได้ยิ่งดีคุณวิพาว่าแม่ผัวกลับมาแล้วเรียกหาไอทองลั่นบ้านเลย คุณวิพาหนวกหูเสียงแม่ผัวมากเมื่อไม่เห็นก็มาถามกับคุณวิพาแบบเสียงไม่เป็นมิตรบอกนี่เธอเห็นไอ้ทองไหมคุณวิพาบอกฉันไม่รู้ฉันทําแต่งานแม่เธอเนี่ยอยู่บ้านก็อยู่จริงๆไม่สนใจอะไรเลยนะคุณวิพาไม่ตอบปากต่อคําแม่ผัวตัวแสบค่ะเย็นวันนั้นมีคนมาบอกว่าเจอไอ้ทองมันนอนตายอยู่หลังหมู่บ้านนู่น แม่ผัวได้ยินดังนั้นร้องลั่นแล้วก็ด่าทอคนที่ฆ่ามันแช่งชักหักกระดูกคือแช่งหนักมากแช่งจนน่ากลัวจนคุณวิภาเองสะดุ้งกลัวว่าจะเข้าตัวเองทีนี้แม่ผัวเนี่ก็จ้างคนไปขุดหลุมฝังไอ้ทองค่ะแกก็ยังไม่วายนะแช่งคนที่ฆ่าไอ้ทองแถมยังกระแนะกระแหนคุณวิภาว่าเป็นคนฆ่าไอ้ทองแต่คุณวิภาเองก็บอกไม่ได้สนใจแต่อย่างใด หลังจากนั้นค่ะไอ้ทองตายแม่ผัวก็เพาะเพ ล, วพลวความร้ายกัดลงไปบ้างแต่ก็เอาเรื่องคุณวิพาเนี่ยไปพูดให้เพื่อนบ้านฟังอยู่เรื่อยจนคุณวิพาเองก็ไม่กล้าออกไปไหนเหมือนเดิมตอนกลางคืนค่ะคุณวิพานอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเห็นแต่หน้าไอ้ทองมันอ้า ป, ปากเห็นเคี้ยวข่าวแล้วก็ยาวๆเหมือนมันจะกัดคุณวิพาไงอย่างนั้นคุณวิพร้องด้วยความกลัวสามีที่นอนอยู่ใกล้ๆก็ถามว่าเป็นอะไรไอ้ทองฉันฝันเห็นไอ้ทองมันจะกัดฉัน ไอ้ทองมันตายไปแล้วมันจะกัดเธอได้ยังไงสามีคงโมโหอนะเนาะที่ทําให้เขาตกใจจนตื่นแล้วก็เมื่อตื่นขึ้ น, นมานะีคะคือตื่นขึ้นมานานมากกว่าจะนอนหลับลงไปอีกคุณวิภาบอกฉันเสียใจนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าฉันก็หลับไม่ลงเหมือนกันก็กลายเป็นว่าตาค้าง3เดือนที่นอนไม่ได้ร่างกายก็ซุดโทมผอมกินข้าวไม่ได้มีอาการเหมือนจะอาเจียนทุกวันเลยแม่ผัวก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นโรคอะไรบางอย่าง สามีพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็บอกไม่มีอะไรนอกจากอ่อนเพลียรธรรมดาเท่านั้นและเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนเดิมค่ะหลับตาทีไรเห็นแต่ไอ้ทองทุกวันนี้คุณวิภาบอกว่าฉันเนี่ทุกทรมานมากก็เลยสวยดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลกลับไปให้ไอ้ทองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นผลกรรมที่ฆ่าหมาโดยที่หมาเองมันก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรม ของคุณวิภาค่ะที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของเงินคุณผู้ฟังหลายๆคนนก็บูชาเงินค่ะเห็นเงินหน้าใหญ่เห็นทองหน้าบานคุณผู้ฟังเคยเห็นใครที่ขี้เหนียวขนาดที่แบบขี้เนี่ยแบบ ย, ยังไม่ยอมให้หมากินเลยนะยังเก็บไปใส่ต้นไม้เคยเห็นไหมคะแบบนี้ เดี๋ยวนี้นี่ไม่มีใครเขาเอาอุดจระไปใส่ต้นไม้กันแล้วเพราะว่ามันสกรปรกค่ะหรือแม้แต่อาหารหรือขนมที่เพื่อนบ้านเขาเมตตาให้สุนัขที่คุณยายคนนี้เนี่ยเลี้ยงแกก็ยังอุตสา์ไปแย่งสุนักกินอีกฟังดูอาจจะเหมือนแกอับจนสิ้นไร้ไม้ตอกนะแต่ไม่ค่ะแกมีเงินหลักล้านแต่แกมีพฤติกรรม แ, แปลก ที่เพื่อนบ้านหรือว่าใครต่อใครที่รู้จักแกเนี่ยต่างก็รังเกียจแกเพราะว่าแกเป็นคนเห็นแกได้จะให้ของใครทีเนี่ยของสิ่งนั้นต้องเป็นของเหลือใช้แกใช้อะไรแล้วใช้ไม่ได้จริงๆแกถึงเอามาให้ใครต่อใครเขาคุณลูกน้ำเองค่ะก็เคยประสบเหตุการณ์นี้ อยู่ๆนะคะคือคุณยายคนนี้เนี่ยแกก็เอาก้านคนะแก่ๆเนี่ยมาให้คุณลูกน้ำทั้งทังที่คุณลูกน้าเองแกก็อายุมากเหมือนกันฟันก็ไม่ค่อยจะดีด้วยแต่ถึงฟันจะดีนะแต่ก้านค่ะก้านคณะแก่ๆเนี่ยมันมีใครที่ไหนเขาให้ก้าน ท, ทั้งทังที่ใยไม้เนี่ยก็มีสตางนะลูกก็ไม่มีแต่แกทำเหมือนกับว่าชีวิตนี้นี่แกจะไม่ตายอย่างนั้นละค่ะ คือจะทำบุญทั้งทีก็ต้องหวังผลเพราะว่าถ้าแกให้อะไรใครแล้วใครเขาไม่มีอะไรให้แกแกก็จะบ่นกระฟัดกระเฟียดเอาเป็นเอาตายโถ่ก็แกมีออกปานนั้นคนเขาไม่มีนี่คะเขาจะไปเอาที่ไหนมาให้แล้วเศรษฐกิจตอนนี้ก็รู้กันอยู่ทั่วโลกว่ายังไม่กระเตื้องขึ้นเลยผู้คนหน้าแห้งฟันดำฟันเหลืองไม่มีจะกินข้าวของก็ข้าวยากหมากแพงแต่ก็จริงอย่างที่พระท่านว่าละค่ะ ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐก็ย่อมได้รับสิ่งที่ประเสริฐนะคะผู้ที่ให้สิ่งที่ซ้ำก็ย่อมได้รับสิ่งที่ซ้ำเช่นกันเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคุณลูกน้ำเพิ่งรู้จากตากของแกเองไปพบแกที่ตลาดไงแกก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกแกป่วยเป็นมะเร็งเต้านมต้องพาตาดัดคุณลูกน้ํามไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือแกได้ยังไงก็ได้แต่ให้กําลังใจแล้วก็ไม่คิดจะซ้ําเติมแกหรอกเนาะสงสารแกมากกว่าใจเขาใจเราค่ะไม่มีใครอยากจะป่วยเป็นอะไรหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเนี่ยใครรู้ว่าตัวเองเป็นใจก็ต้องตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วคุณลูกน้ําก็ได้แต่แนะนําแกว่าเออคุณยายทําใจดีๆนะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครตายแต่ว่ากําลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วอยู่กันได้10ปีก็มีคนที่เขาหายก็มีทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็สู้เข้าไว้คิดแต่ด้านบวก หาพลังบวกพลังดีๆอะไรที่ทำแล้วก็เกิดกำลังใจก็ทำไปคุณลูกน้ำเองนะคะทราบมาว่าตอนที่แกป่วยเนี่ยญาติพี่น้องหลานๆแกไม่มีใครมาเยี่ยมกันเลยสักคนค่ะคนที่แกจ้างวันไปเฝ้าไข้แกก็ไม่มีน้ำใจกับเขาให้เขากินแต่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแทนที่จะให้อาหารการกินกับเขาดีๆหน่อยเงินที่ให้เขาก็แค่พอประทังชีวิตเขาไปวันๆให้ยังกับไม่มีน้าใจ ในเมื่อญาติพี่น้องลูกหลานแกยังพึ่งพาไม่ได้แกก็ควรจะมีน้ำใจกับคนอื่นถูกต้องไหมคะคุณผู้ฟังที่เขาว่าคนที่ไม่มีใครเอานั้นเนี่ยมันน่าสงสารนะแต่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ค่ะว่าคนพวกนี้เนี่ยทำตัวของตัวเองไม่มีใครช่วยเขาได้ บางคนเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรธรรมะนำทางทำดีแสงแห่งธรรมก็ส่องสว่างนำทางไปอย่างที่ดีๆหากทำสิ่งไม่ดีมากๆเข้าบางครั้งค่ะแม้จะเป็นเศษกรรมแต่หากทำหนักๆทำบ่อยๆเข้าจนชินก็อาจจะกลายเป็นกรรมหนักก็ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังทราบมาอีกว่าแกเนี่ยก็อาการดีขึ้นแล้วโดยคุณหมอนี่ก็ตัดชิ้นเนื้อไปน้ำเหลืองหยุดไหลแล้วแต่ว่าแกก็ไม่ยอมกลับบ้านจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อ คนใกล้ชิดแกเนี่ยเล่าให้ฟังบอกแกรอของเยี่ยมอยากได้ของเยี่ยมจากคนอื่นจริงๆแล้วยายไม้นี่มีสตังค์ไม่ใช่น้อยนะอย่าง น, น้อยๆเลยนะคะแกเจ็บป่วยแกก็เบิดค่ารักษาพยาบาลอะไรต่อมีอะไรได้บํานานก็มีไม่เดือดร้อนอะไรทำไมยังโลภมากอยากได้ของของคนอื่นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนสาเหตุที่ยายไม้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมนั้นเนี่ยเห็นแกเล่าให้ฟังบอกว่าหมอให้แกรับประทานเนื้อแดงให้น้อยลง ใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาคือยายไม้แกชอบรับประทานเนื้อสัตว์เวลาแกไปตลาดนะก็จะเห็นแกอาศัยอยู่คนเดียวแกก็ซื้อเนื้อหมูทีหนึงเนี่ยโอ้โหยังกะเป็นครอบครัวใหญ่ประดุดว่ามีงานบุญงานกุศลหรือจะทําแจกชาวบ้านยังไงก็ไม่รู้แกซื้อมาทีเป็นกระสอบเลยคือทุกวันนี้นญาติพี่น้องลูกหลานของแกเวลาไปมาหาสู่แกทีไรเนี่ยค่ะก็ไม่เคยเห็นเขาจะเอาอะไรมาเยี่ยมแกเลยก็ในเมื่อแกไม่มีน้ําใจอะไรกับใครนี่เนาะ คนที่ไม่เคยคิดถึงใครก็จะไม่มีใครนึกถึงนะคะคุณน้ำบอกว่าฉันจำได้ว่าฉันเคยฝากเสื้อผ้าที่ฉันไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีฝากแกไปทำบุญเพราะแกบอกว่าแกจะเอาไปให้คนต่างจังหวัดแต่แล้วค่ะแกก็เอาเสื้อผ้าที่ให้ไปเนี่ยไปใส่ซะเองอะไรกันนะกันหนาจะงกขนาดนั้นไม่รู้จะเก็บไปถึงไหนตัวแกเองก็มีค่ะไม่ใช่คนจนแล้วก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะเอาไปทำบุญให้อ้าวแล้วทำไมเอามาใส่ซะเองล่ะ แม่ของเยไม้ก็มีนิสัยไม่ได้แตกต่างกันกันกบเยไม้สักเท่าไหร่นักเพราะว่ามีนิสัยขี้เหนียวไม่ได้ผิดไปจากลูกหรือลูกหลานเลยนะคะหากอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะให้เงินไปซื้อแต่ต้องซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําแล้วรับประทานกับข้าวสวยที่บ้านเหตุผลคืออะไรคุณผู้ฟังไม่อยากให้กินแบบใส่เส้นอยากให้กินเป็นเกาเหลาแล้วก็เอามากินที่บ้านนะคะก็คื อ, อจะได้กินกับข้าวแล้วก็จะได้อิ่ม แต่ว่าพูดถึงเรื่องเวรกรรมเนี่ยคือมันมีจริงๆนะคะก็ในเมื่อไม่เคยคิดถึงใครเลยก็ไม่มีใครคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าลูกหลานของพวกเขาเนี่ยเวลาโตขึ้นต่างก็แยกย้ายกันไปตัวใครตัวมันไม่มีใครสนใจใครทำายังกับต่างคนต่างเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่ก็ว่าได้ ฟังดูเหมือนว่าจะต่อว่าพวกลูกหลานของเขานีคะแต่เมื่อทราบสถานการณ์เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็อดเห็นใจไม่ได้เพราะว่าญาติผู้ใหญ่ของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ของเยไม้ ai, หรือว่าตัวของเยไม้เองต่างก็มีความเค็มไม่แพ้ทะเลค่ะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเคี้ยวทั้งเค็มแบบนี้ใครจะไปอยู่ด้วยได้เพราะแม่ลูกเนี่ยเขายังทะเลาะ ก, กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่บ่อยๆเลยกรรมใครก็กรรมมันค่ะเพราะว่าเยไม้ ai, ไม่ได้เป็นเพียงมะเร็งเต้านม ภายหลังนะมะเร็งเนี่ยมันได้ลามไปถึงปากงดลูกแล้วก็รังไถ่ตอนที่แกป่วยเนี่ยไม่มีใครไปเยี่ยมแทบไม่ทราบซะด้วยซ้ำและกว่าแกจะตายค่ะคุณผู้ฟังแกก็ทุกขทรมานมหาศาลเลยเพราะว่ามะเร็งนั้นนี่มันปวดอย่าบอกใครแต่ที่รู้มาภายหลังว่าแกป่วยนั้นก็เพราะว่าหลานของแกค่ะเนื่องจากทางโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปตามญาติว่าแกเสียชีวิตแล้วให้มาจัด ก, การรับศพไปชาปนากิจ วันที่ญาติญาติพี่น้องหลานหของแกมาจัดงานเผาศพกันคุณน้ำบอกไม่อยากสาธยายเลยว่าไม่มีใครเขาว่างไปงานเผาศพแกซักคนถามใครใครเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างติดธุระต้องไปทํางานบ้างทํานู่นทํานี่บ้างเรื่องของเยื่อไม้นี่ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปเป็นบทเรียนกับชีวิตของตัวเองได้เลยนะชีวิตคนเราเนี่ยคือไม่อาจจะปฏิเสธได้ครัว่าเงินมันก็จริงอยู่ว่ามันเป็นสะพานที่จะนําพาตัวเองไปหาความสุขได้ แต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะคนเรามันก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนนับวันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่ะเงินทองหาซื้อสิ่งของได้แต่อย่าลืมนะว่าเงินทองเนี่ยมันหาความสุขทางใจแล้วมันก็ตามเราไปในประโลกหรือว่าในภพภูมิอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากบุญแล้วก็กรรมที่กระทามาเท่านั้น เอาละค่ะเรื่องของกฎแห่งกรรมที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังวันนี้หวังว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยพอสมควรนะคะใครเชื่อก็ปฏิบัติตนให้ดีส่วนใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเรื่องของอสิทธทิส่วนบุคคลนะคะฟังไว้เพื่อความบันเทิงเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวติดตามพระเจอผีได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะถ้าจะเมตานิดนึงก็ อย่าข้ามโฆษณากันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ